ใครมีคําถามอะไรเชิญได้นะ <c oughs> เชิญนะมีคนไม่เคยมาวัดนี้เยอะแล้วก็เกี่ยวกับ อ, อาหารที่ใส่บาตรได้แล้วก็พระชานอาหารอะไรได้บ้างตอนไหนตอนเย็นตอนกลางวันอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยครับจะได้เป็นประโยชน์ในการหาอาหารว่าใส่บาตรอ๋ออาหารที่ใส่บาตรได้ก็เป็นเป็นอาหารสด อาหสดธรรมดาก็คืออาหารที่ทานได้เลยะนะพระบินาบาตก็รับอาหารที่ที่ทานได้เลยฉันได้เลยนะหลังหลังเพนไม่มีไม่มีคําว่าเพนหลังอาหารแล้วที่เป็นวิการไม่ใช่การอาหารก็ <c oughs> อ่า มีของกืนล่วงลำคอสี่อย่างนะของคืนล่วงลาคอสี่อย่างที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ย <c oughs> ยามกาลิกก็คือกลุ่มพวกอาหารนะที่เป็นข้าวปลาเนื้อนมนมเปี้ยวนะอันนี้ก็เช้าถึงประมาณเที่ยงนะนะประมาณครึ่งวันแล้วก็ยามกาลิกอันนี้พวกน้ำปะนะ อันนี้ฉันได้ได้ทั้งวันแต่มีอายุแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งยมถวายมาแล้วเนี่ยหลังจากอาพอถวายมาแล้วเนี่ยพระรับถึงมือแล้วอรุณขึ้นใหม่เนี่ยก็ถือว่าหมดอายุาหมดสิทธิ์ที่จะฉันละฉันหมดไม่หมดก็ต้องสละน้ำที่ได้จากผลไม้ลูกไม้ใบไม้ได้หมดสตากาลิกหมายถึง ยาเจ็ดวันมีห้าอย่างในสายในคน้นน้ำมันน้ำพึงน้ำอ้อยนะแล้วก็ของคืนล่วงลำคออย่างสุดท้ายก็คือยาวชีวิกส่วนของต้นไม้ทั้งหมดรากใบดอกนะพวกนี้ใช้ได้หมดมนี่คือสอย่างของคืนล่วงลำคอนะนั้นตัวสัตตาการลิกเนี่ยเก็บไว้ได้เจ็ดวันหลังรับประเค้นแล้วนะ ส่วนยาวชีวิตเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตส่วนยามกาลิกพวกน้ำปะนะเก็บไว้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งขออนุญาตเริ่มกิจกรรมเลยนะคะพระเจ้าอได้ได้เริ่ม <c oughs> เ, เลย ก่อนจะเริ่มกิจกรรมสัจชายาพระพุทธเจนะในวันนี้ขออนุญาตให้ผู้ร่วมกิจกรรมขึ้นไปนั่งบนพื้นไม้ณที่ควรส่วนทั้งสองข้างของท่านอาจารย์ค่ะเชิญทุกท่านค่ ะ, ะนั่งตรงนั้นแหละผู้เท่านั่งก็อี ขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อ ม, อมกันค่ะกราบกราบกร า, กรานพิธีการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงสมณะสักยะปุตติยะผู้เป็นรัตนะที่หาได้ยากในโลกวันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือเป็นวันเข้าพรรษาและเป็นวันที่สองของการแสดงออกถึงความศรัทธาอันอยั่งลงมั่นแล้วในพระรันะตนตรัยของเหล่าพุทธบริษัทพูดถึงสมณะโคดมเป็นสรณะนะดังพระสูตรคันทสูตรจากพระสูตรตันตปิฎก เล่มที่สิอังคุตตะรานิกายข้อห้าหนึ่งหน้า2องรดังนี้ครั้งนั้นแลท่านพระอาณน์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นหอมสามอย่างนี้ ฟุ้งไปแต่ตามลมอย่างเดียวฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นหอมสามอย่างนั้นเป็นฉไนคือกลิ่นที่รากหนึ่งกลิ่นที่แก่นหนึ่งกลิ่นที่ดอกหนึ่งกลิ่นหอมสามอย่างนี้แลฟุ้งไปแต่ตามลมอย่างเดียวฟุ้งทวนลมไปไม่ได้พระเจ้าข่ากลิ่นหอมชนิดที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งทวนลมไปก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้ยังจะมีอยู่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอาโนนกลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทัวลมก็ได้ฟุ้งทั้งไปตามลมและทวลมก็ได้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทั่วลมก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทัวลมก็ได้เป็นฉไนดูก่อนอาโนนสตรีหรือบุตรในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ ถึงพระผู้มีพระเมีพระถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาด จ, จากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นบนันพิน มีทยธรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้วมีมืออันชุ่มยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในทานและการแจกจ่ายทานอยู่ครองเรือนสมณพราหมณ์ทุกทิศ ย, ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบดุษในบ้านหรือนอนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณนะถึงพระธรรมเป็นสรณนะถึงพระสงฆ์เป็นสรณนะเว้นขาดจากการฆ่าสัต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 ยินดีในทานและการแจกจ่ายทานอยู่ครองเรือนแม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือในนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะควรแก่การขอยินดีในทานและการแจกจ่ายทานดูก่อ น, นอานนนกลิ่นหอมนี้นั้นแลฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทั่วลมก็ได้ ฟุ้งไปทั้งตามลมและทัวลมก็ไดก้กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทัวลมไปไม่ได้กลิ่นจันทร์กลิ่นกลิศนาหรือกลิ่นกะลัมพักก็ฟุ้งทัวลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสัตว์บรุษฟุ้งทัวลมไปได้เพราะสัตว์บรุษฟุ้งไปทุกทิศสหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมศััชยาพระพุทธวจนะในวันนี้ในทั้งสิ้นสิบเอท่าน ในโอกาสนี้ขออนุญาตพระอาจารย์เบิกตัวสาวิกาแก้วซึ่งจะขอพักบทบาทเดิมชั่วครู่เพื่อมารับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมคือเด็กหญิงพันิตาทั่งทองหรือน้องน้ำพุนทำหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้สัตว์ผู้สัชายะค่ะท่านที่หนึ่งค่ะเด็กชายนิติพม หรือน้องอาร์ตอายุหกขวบพระสูตรการตั้งจิตก่อนนอนค่ะอ๋อหขวบเหรออ่าเฉินเลยาฐมธรรมหน้าหมสิบเก้าการตั้งจิตก่อนนอ น, นอานนถ้าเมื่อพิสูน์นั้นจิตน้อมไปเพื่อการนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งใจว่า บาดเอากุศลและทำทั้งหลายกล่าวคืออับวิชาเโทรนัทจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีอย่างนี้พิสุทนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวรัวพร้อม ในกรณีหการนอนนั้นหมร ค, รนความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะบอกว่าวิธีการมีสติในการนอนเนี่ย <c oughs> ก็คือ <c oughs> ถ้าจิตจะน้อมไปเพื่อการนอนเนี่ยให้บุคคลนั้นเนี่ยตั้งจิตว่าเราจะไม่คิดอกุศล น, นะ อกุศลพระศาสดาจัดไว้สามอย่างคือความคิดในทางการทางพยาบาทิทางเบียดเบียนนะให้เราตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนนะทำแค่นี้เพราะบางที่บางทางก็บอกว่าให้มีความรู้ตัวตลอดนะก็จะไม่มีคําสอนพระศาสดาแบบนั้นนะเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้หลับนะแต่พระศาสดาเนี่ยให้เราหลับได้แต่ก่อนหลับเนี่ยให้เราตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศล แค่นั้นเองจะคล้ายๆกับภิกษุที่ครั้งหนึ่งเนี่ย <c oughs> เข้าสมาธิการแล้วมีกิจสงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ออกจากสมาธิมาก็เรื่องไปถึงผู้เจ้าว่าไม่เข้ามาช่วยกิจสง <c oughs> เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิ <c oughs> เข้าฌานอยู่พระศาสดาเลยบอกว่าต่อไปเนี่ยจะเข้าสมาธิให้ตั้งจิตก่อนเ <c oughs> ข้าสมาธิว่าถ้ามีกิจสงเกิดขึ้นให้ออกมาช่วยกันทําอย่างนี้นั้น จิตเราก็มีความพิเศษถ้าเราได้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ เ, เนี่ยระหว่างที่มีการนอนเนี่ยจิตจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งหลายนะการพยาบาทเบียดเบียน3อย่างนี้เป็นความคิดอกุศลการคือความยิน ด, ดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของอายตนะของกายนะนั้นถ้าเราเกิดความยิน ด, ดีใน5ช่องทางในอายนาของกายเนี่ยให้เรารีบละนันะหรือว่าความไม่พอใจนะ่เกิดขึ้นใน5อายนาของกาย นะที่เรียกว่าเป็นส่วนของกรรมธาตุนะก็ให้เรารีบละนะถ้าอย่างนี้เราทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีสติในการนอนนะนะการทรงจำได้นี่มีประโยชน์นะการทรงจำเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยตรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยจะรู้ตามซึ่งสัจธรรมได้อย่างไร นะตอบกับภารัทธวาชะภารัทธวาชะเนี่ยเป็นปริภาชกลัทธิอื่นแล้วก็ดูถูกกลุ่มของพระพุทธเจ้าว่าไอ้พวกสมณะหัวล้นพวกนี้มันจะมีภูมิปัญญาอะไรนะเที่ยวถือกระเบื้องขอทานไปนะแต่พอมาเจอกับผู้เจ้านะก็มีการโต้วาทะกันขึ้นนะเขาก็จะถามผู้เจ้าเรื่องของอสัจจา นุรักนาการรักษาไว้ซึ่งความจริงจะทําอย่างไรบุคคลจะรักษาไว้ซึ่งความจริงได้อย่างไรนะผู้เจ้าก็บอกว่าด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ก็คือคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท e ่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะที่รู้มาที่เห็นมาที่ฟังมานะรู้แจ้งมาเนี่ยไม่แน่นะวางเป็น ก, นกลางๆไว้ก่อนนะด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ นะพอการเวลาผ่านไปเนี่ยความจริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นพารัธวาชาก็ถามต่อไปอีกว่าอันเนี้ยมันแค่การรักษาไว้ซึ่งความจริงแล้วจะรู้ตามความจริงได้อย่างไร <c oughs> ผู้เจ้าบอกว่ามี12ขั้นตอนบุคคลต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใข้ควรพิาเนื้อความที่ตนทรงจาไว้ ทำทั้งหลายเนี่ยมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทาแล้วย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไวในธรรมนะพารัทธวาช้าก็ถามต่ออีกบอกไอ้นี่มันแค่รู้ตามความจริงแล้วมันจะบรรลุความจริงได้อย่างไรนะอ่าพระเจ้าจึงบอกว่าให้เวียน12ขั้นตอนเนี่ยให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อการบรรลุความจริง นั้นใน12ขั้นตอนนี้การทรงจําเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนซึ่งพระองค์เคยตรัสไว้อีกที่หนึ่งว่าพระองค์สอนได้เฉพาะมนุษย์ที่มีสัญญาและใจเพราะฉะนั้นถ้าการทรงจําไม่มีใจไม่มีนะพระเจ้าสอนไม่ได้นะไม่สามารถรู้ธรรมะได้นั้นผู้ที่เข้าสมาธิในระดับในวสัญญานาสัญญาเจณกับสัญญาเวท เวทยตนิโรธสพวกนี้เป็นผู้ที่ดับสัญญาได้แล้วผู้เจ้าจึงบอกพรงศ์สอนไม่ได้ละพวกที่เข้าสมาธิสองพวกนี้นะผู้นี้ชายีภิกษุคือภิกษุผู้ฉลาดนั้นจะต้องรู้เองด้วยการออกจากสมาธิเข้าสมาธิไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่แล้วจะพึงกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนะนั้นในสมาธิสองขั้นนี้ <c oughs> พระสารีบุตรเคยอธิบายไว้ว่า ผู้ได้สัญญาเวตนิโรธเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วแล้วเข้าออกเข้าออกสมาธิเนี่ยผลที่ไดส้สองอย่างก็คือหนึ่งถ้าไม่สําเร็จเป็นพระหลา์ก็จะได้เป็นเทพผู้มีลิศทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะโดยพ้นจากพวกเทพที่มีกับผลีกาลาหาันเป็นพักษาเป็นอาหารพระสารีบุตรพูดอย่างนี้นะพระอุทายีคัดค้านพระสารีบุตรสามรอบ พระสาริบุตรก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นไปพูดต่อหน้าพระพุทธเจ้านะพระสาริบุตรก็พูดอย่างนี้อีกพระาุทายีก็คัดค้านพระาริบุตรสามรอบอีกนะทุกคนก็เงียบกันหมดพระุทธเจ้าก็เลยพูดขึ้นมาว่าพระเถระถูกลุกลานขนาดนี้ไม่มีใครช่วยพระเถระเลยแล้วเนี่ยนะก็เลยตำหนิระาุทายีนะ แล้วก็อบอกอุทายีเธอแล้วเธอคัดค้านเนี่ยเธอเห็นอย่างไรเผ่าทายีก็บอกไปพระเจ้าไม่รับรองคําพูดอุทายีแล้วก็ตัดรับรองคําพูดภาษาลีบุตรแทนนะอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะเผ่าทายีนี่โดนหลายเรื่องนะหลายครั้งอืมนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเป็นมุมที่เราจะได้คือตัวพระเจ้าเองเนี่ยยัง ไม่เคยได้บอกว่าถ้าตายไปในขณะได้สัญญาเวทิจตนโลดแล้วเนี่ยจะไปเกิดในภพใดนะแต่จะมีคําพูดของพระสารีบุตรที่อธิบายตรงนี้แล้วผู้เจ้าเนี่ยรับรองคําพูดนั้นก็เป็นเสมือนหนึ่งคําพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็จะได้ทราบว่าอ๋อพวกได้สัญญาเวทิจตนนิโรธเนี่ยก็จะได้ไปเป็นพวกเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจนะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นี่ก็ <c oughs> อธิบายเพื่อให้ทราบว่าประโยชน์ของการทรงจำเนี่ยมีพระผู้มีพระภาคเจ้าจะสรรเสริญเอาไว้หลายประสูตรเหมือนกันอีกประสูตรหนึ่งถ้าใครทรงจำคำสัสดาได้เนี่ยเปรียบเหมือนสั่งสมอาวุธไว้มากคนคนนั้นเนี่ยจะมีอาวุธในการประหารฆ่าศึกมากนะ <c oughs> ประโยชน์ของการทรงจำอีกอย่างหนึง่งพระองค์บอกถ้าทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วเนี่ย คือเอาไปใคร้ครวนให้ดีแม้ผู้นั้นจะมีสติหลงลืมทําการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาในภพของเทวดานั้นเขาจะได้สี่ลักษณะคือ 1. เขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมที่เขาสาธยายได้อย่างคล่องปากขึ้นใจได้เองแล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่สองเขาจะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนะแล้วเขาระลึกขึ้นได้เขาก็จะบรรลุธรรมในภพของเทวดาอย่างที่สามเนี่ย เขาได้ยินพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนนะเทพบริษัทผู้เกิดก่อนเนี่ยมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังนะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เขาก็จะบรรลุธรรมนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปได้ยินพวกเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันเองนะเขาระลึกได้เขาก็จะบรรลุธรรมนี่คือนิสงของการทรงจำำําคําพระผู้มีพระภาคเจ้าได้นะนั้นคําพระศาสดาของเราเนี่ย เป็นคำที่ประกอบด้วยปฏิหารนะพระองค์เรียกอนุสาสนีปฏิหารนะแม้จะได้ยินจากผู้เจ้าโดยตรงหรือคนที่นำคำสดสดามาถ่ายทอดก็จะได้อ น, นิสงส์งเท่ากันนะอย่างเช่นในเรื่องของพระผัดคุณนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมให้ก่อนสิ้นชีวิตและมีความทุกข์ทรมานมากก็ยังสามารถละสังโยชน์ห้าได้พระนลจึงบอกนะกับผู้เจ้าว่าหลังผู้เจ้าเนี่ยแสดงธรรมแล้วพระภัดุณะก็ทากาละ สิ้นชีวิตลงแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักผู้ชาบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรผัดคุณนะก่อนฟังธรรมเนี่ยยังละสังโยชน์ไม่ได้แต่หลังฟังธรรมแล้วเนี่ยละสังโยธาได้แล้วก็เลยตัดบอกอนิสงส์6ประการของการที่ได้ยินได้ฟังคําศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนะเนั้นใครใกล้จะสิ้นชีวิตโยมเอาคําศาสดาไปให้เขาฟังนะคําศาสดานะไม่ใช่คําที่ถูกปรุงแต่งขึ้นภายหลัง จะได้นิสงฆ์หประการในอนิสงฆ์หประการนั้นมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งถ้าละสังโยตห้าไม่ได้จะละได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าละสังโยชห้าได้แล้วจะได้เป็นพระหลานในสองกลุ่มนี้มี3มลักษณะคือ1ได้ฟังจากผู้เจ้าโดยตรง 2. ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอด3เข้าระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาได้เองนั้นเราจะเห็นว่าจะได้ยินจากผู้เจ้าโดยตรงหรือได้ยินจากคนที่นำคำศัสดามาถ่ายทอดก็จะได้นิสงฆ์ตรงนี้เท่ากันคือละสังโยตห้าได้ แล้วก็รักษงโยตสิบ <If S 1> ได้ก็เลยบอกอัน <lonely> นี <Wet> ้สงของการทรงจำและการสาธยายให้ทราบเพื่อจะได้ทราบประโยชน์ของการที่มีบุคคลมาสัจชายะก็คือสาธยายธรรในวันนี้ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยฝึกสาธยายคำพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา การปฏิบัติบูบชานะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดและในปี255หเนี่ยก็จะเป็นปีที่ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะถ้าเราจะแสดงความกตันยูกระตะเวทีด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติเอาไว้นะก็จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองแล้วก็ต่อสังคมนะ คนต่อไปไข่เนาะนำวุญท่านที่สองค่ะเด็กหญิงเจเดนฟานหรือน้องเจเดนอายุแปดขวบพระสูตรฉันท้าความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ค่ะเจเด้นภาษาไทยภาษาอังกฤษแก้วนี้ประถมทับหน้าแปดสิบสองความพอใจใดความพอใจนั้น <c oughs> คือเหตุเก <c oughs> ิดแห่งทุกข์ Any desire, such desire, is the root of suffering. Whatever suffering arose in the past, all that arose rooted in desire, with desire as its source. For desire is a root of suffering. Whatever suffering will arise in the future, all that will arise rooted in desire, with desire as its source. for desire is the root of suffering ความทุกใดๆใดที่เกิดขึ้นในแล้วในอดีตถุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะความพอใจเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดๆใดอนจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะความพอใจเป็นมูล มีชันทาเป็นเหตุเพราะว่าชันทาเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์เยี่ยมมากสองภาษาเลยนะท่านที่สามค่ะคุณยายสวยจันทราทิศหรือคุณยายสวัยอายุเจ็ดสิบแปดปีพระสูตรธรรมดาของโลกค่ะอายุเท่าไหร่นอะนะอายุเจ็ดส <78. S 1> ิบแปดีเจ็ดสิบแปด โอ้ oh. <laughs> มีทุกรลุ่นเลยเช่นอย่างทำทำมาดาของโลกจากหนังเสือ <c oughs> ปฐมปฐมทำหน้าหนึ่งสแปดมีลาบเจียมลาบมียศเจียมยศนินทาสา ร, รเสริญสุขและทุกแปดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมูมนุษย์ ไม่ยั่งยืนมีความแ ป, ปรปลวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้คุกความรู้นี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแ ป, ปรปลวนเป็นธรรมดาของโลกคำนาน อันนี้เป็นเรื่องโลกธรรมเนาะจริงๆมีพระสูตรอยู่อันหนึ่งที่บุคคลถ้าเพ่งอยู่ในเรื่องความแปรปรวนของโลกเนี่ยคือเห็นลาบยศสันเสริญสุขมินทาพวกเนี้ยน ะ, ะมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยนะเป็นเรื่องพื้นพื้ น, นที่ แม้เรามองแล้วมันไม่น่าจะถึงได้แต่สามารถเป็นมรควิธีหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะอ่าต่อไปใครค่ะท่านที่สี่ค่ะคุณสามาคมสะอาดใจค่ะหรือคุณหนุ่มอายุหกสิบเอ็ดปีพระสูตรละนันทีค่ะอ่ายมหนุ่มนะสัมมาปัฏสัง <c oughs> นิพพินทติ เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาลาคักขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะลาคักขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิลาคักขยาติตตังสุวิมุตจันติวุตติ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้เอวังนะพระสูตรนี้เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่อาตมาก็ชอบเหมือนกันนะเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่พระาศาสดาของเราเนี่ยได้สอนเอาไว้การละนันทิความเพลินนะเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นได้เลยทําให้เป็น เครื่องยืนยันได้ว่าแค่การละนันทีความเพลินอย่างเดียวเนี่ยในทุกๆอายสถานเนี่ยเป็นเหตุให้จิตของเราเนี่ยหลุดพ้นเข้ามาผลนิพพานได้นะท่านที่5ค่ะคุณธีธีติพรจิตสมุตค่ะหรือคุณแอดอายุ53ปีพระสูตรหลัก เกณฑ์ทรัพพยากรภาวะโสดาบันของตนเองค่ะโ อ, า อ, าอกาสเจ้าค่ะหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กกพยากรภาวะโสดาบันด้วยต<อ>นเองอข้าพ้าพดีในการใด <c oughs> ภัยเวรห้าประการดังนี้หนึ่งบุคคลผู้ค่าสัตว์อยู่เป็นปกติสองบุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติสามบุคคลผู้ประพฤติผิดในการมทั้งหลายอยู่เป็นปกติ สี่บุคคลผู้กล่าวเท็จอยู่เป็นปกติหบุคคลผู้ดื่มสุราไร่เมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติอันอริยาสาวกทําให้สงบลังงับได้แล้วด้วยอริยาสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโศตาปตยังคสีด้วยอริยยธรรมเป็นธรรมที่อริยาสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยาสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนาลกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาศสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีความตัดสู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้าสาธุ นี่เป็นเกณฑ์พยากรณ์ความเป็นโสดาบันนะพระศาสดาบอกว่าถ้าเราเนี่ยมี3คุณสมบัตินี้คือมีศินห้าหรือเรียกว่าพ้นภัยเวร5ประการและมีโสตาปฏยังคัตสีคือเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีสิ น, นั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าอย่างที่3มีอริยญาณธรรมคือเห็นปฏิจจสุบาทว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับ เขารู้ซึ่งปฏิจจสุบัติทาอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นของทำทั้งหลายเนี่ยด้วยสามคุณสมบัตินี้พระศาสดาบอกว่าให้ผู้นั้นเนี่ยพยากรณ์ตนและตนนั้นและว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนั้นพระโสดาบันไม่ใช่ว่าคนที่ไปมีฤทธิ์มีปฏิหารไม่ใช่เป็นคนที่ไปดูจิตล่วงรู้วาและจิตคนอื่น หรือว่าเหาะเหินเดินอากาศได้พวกนั้นเป็นความรู้ที่ยังต้องแก่เจ็บตายและยังไม่พ้นนรกกำหนดเดียร์ฉานหรือเปรดวิสัยคุณวิเศษเหล่านั้นพระศาสดาของเราตรัสกับเกวัตตาว่าพระองค์อึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งอิทธิปาฏิหารคือการแสดงฤทธิ์ได้หลายคนแปลงให้เป็นคนเดียวคนเดียวแปลงให้เป็นหลายคนเดินทะลุภูเขากําแพงดุดไปในอากาศว่าง ดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ําเดินบนผิวน้ําเหมือนเดินบนดินนะห่อขึ้นไปในอากาศได้ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังก์รูปพรำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มีลึทานุภาพได้และแสดงอํานาจทางกายไปได้จนตลอดถึงพรมโลกพ่วงบอกว่าพระองค์ไม่สนเสริญตรงนี้อึดอัดขยักขยงและเกลียดชังนะส่วนอาเทศนาปฏิหารคือการกําหนดจิต <c oughs> รู้จิตคนอื่นรู้จิตเทวดาพรหมมนุษย์สัตว์ทั้งหลายว่า เขามีอาการจิตอย่างนี้มีสมาธิอย่างนี้นะกำลังคิดอย่างนี้กําลังตรึกเรื่องนี้นะซึ่งความสามารถตรงนี้พระศาสดาก็บอกว่าอึดอัดขยักขยั่งและเกลียดชังอีกเช่นกันนะแต่โล่งสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศสอนว่าท่านจงคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้จงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้เช่นทําไว้ในใจซึ่งอานาปานสติอย่าทําไว้ในใจซึ่งงอกุศลลทั้หาย คิดในทางการทางพยบาบติทางเบียดเบียนคิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้ละไปนะคำสอนอย่างนี้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเพราะบุคคลเมื่อฟังแล้วเข้าใจไปกระทําตามเนี่ยสามารถเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้และอริยบุคคลนั้นก็คือผู้ที่สามารถเข้าถึงกระแสแห่งความไม่ตายคืออมตะนะ <c oughs> อย่างโสดาบันคุณสมบัติที่โยมเขาพูดมานี้ ถ้าใครทําได้นะและพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันด้วยตนเองได้แล้วจะเกิดอีกไม่เกินเจชาติพยากรณ์ตนเองได้เลยว่าตนเองเป็นผู้ผู้มีนรกสิ้นแล้วกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วเปรตวิสัยสิ้นแล้วนะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกินเจดชาติจะได้เป็นพระหรหันต์พระศาสดาบอกว่าไม่มีภพที่8สําหรับพระโสดาบันโสดาบัน เกิดถึงครั้งที่8ไม่ได้นะเกิดได้แค่เจครั้งแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระาราหันนั้นถ้าพวกเราเนี่ยแต่โสดาบันปั๊บเนี่ยก็คือเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยทราบคุณสมบัติของพระโสดาบันไว้เยอะๆนะพระองค์จัดไว้40กว่านายะแล้วเอาไว้พยากรตนเองไม่ต้องให้ใครพยากรณไม่มีใครพยากรณใครได้เว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวนะ <c oughs> แต่พระเจ้าเนี่ยให้พยากรตนเองด้วยการวางหลักธรรมไว้ให้นะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพระสูตรนี้โสดาบันอ่าท่านต่อไปค่ะท่านที่หค่ะคุณพาวีขาวประสูตรหรือคุณวีอายุสี่สิห้าปีพระสูตรโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมารมีองแปดค่ะ พระอาจาระโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมัคมีองแปดสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ใดที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมัคมีองแปดนี้อยู่ข้าพระองค์เรียกผู้เช่นนั้นว่าพระโสดาบันผู้มีชื่อเช่นนี้เช่นนี้มีโคดเช่นนี้เช่นนี้พระเจ้าค่ะ สารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนี้ว่าโสดาบันพระโสดาบันผู้มีชื่อเช่นนี้ชนนเช่นนี้มีโคดเช่นนี้เช่นนี้อันนี้เป็นอีกพระสูนหนึ่งที่เป็นนัยยะของโสดาบันสั้นๆ น, นะพเจ้าถามสารีบุตรใครกันนะโสดาบันนะพระสารีบุตรก็เลยบอกว่า ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยมรค8เนี่ยนะใครเนี่ยกำลังประกอบพร้อมแล้วด้วยมรค8คือมีกายวาจาจิตประพฤติปฏิบัติตามมรค8ผู้เช่นนั้นน่ยมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นคือชื่อสกุลอย่างนั้นนั่นแหละคือโสดาบันบุคคลนั้นคนจะเอามรค8มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ง่ายนะต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเส้นทางเนี่ยหนทางเนี่ยมันนําพาเราสู่ความพ้นทุกข์ได้นะไม่มีหนทางอื่นนั้นโสดาบันจะไม่เชื่อว่า บูชาไฟแล้วพ้นทุกข์ได้นะเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วพ้นทุกข์ได้นะสะดอกข้อปลูกเศษเลขยันแล้วพ้นทุกข์ได้นะบนบานอ้อนวอนบนบานสารกล่าวสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพ้นทุกข์ได้โสดาบันไม่เชื่อโสดาบันจะเชื่อกรรมคือการกระทําทางกายวาจาใจซึ่งกระทําไปตามเส้นทางมร k มีองศเนี่ยจะถึงความพ้นทุกข์ได้นะโสดาบันจะมั่นใจอ ย, อย่างนี้ ไม่มีความหวันไหวความไม่วันไหวของโสดาบันเปรียบเหมือนพระศัสดาเปรียบเหมือนเสาหินนะที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่วันไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันจิตของพระโสดาบันเนี่ยไม่สามารถมีสมณะปรามานพรมเทพเทวดาใดๆเนี่ย จะดึงเข้าไปในทิศทางอื่นได้เลยเขาจะมั่นคงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและคำสอนของพระตถาคตนะแต่จิตของปุถุชนพูะเจ้าบอกจะเบาเหมือนปุยนุ่นใครสะกิดไปซ้ายก็ไปซ้ายใครสะกิดไปขวาก็ไปขวาไปดูหมอกันไหมวันนี้ไปสะดอกข้อกันหน่อยเนะาะใครก็จะไปจะเชื่อเพราะจิตเขาเบาเหมือนปุยนุ่นจะหวั่นไหวไงอาจจะเสลมพัดไปซ้ายก็ปลิวซ้ายลมพัดขวาก็ปลิวขวานะ ระศดามีอุปมาไว้ให้เสร็จต่อไปน้ำวุ้นท่านที่แปะคะ่ะเอ๊ท่านที่เสร็จคะ่ะคุณพาวินีจันทคุณหรือคุณนีอายุสี่สิบสี่ปีพระสูตรผู้ประสบบุญใหญ่คะ่ะผู้ประสบบุญใหญ่เช่นเลกับเขา อ, อกาสพระอาจารย์นะคะ ย่มอาจจะแอบอนิดนึงไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ผู้ประสบบุญใหญ่พ <c oughs> ิสูจทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญใหญ่ด้วยฐานะห้าห้าอย่างด้วยฐานะห้าอย่างอะไรบ้างเล่า หอย่างคือหนึ่งในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมพากันตอบรับกราบไหว้ให้อัสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูงสามในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมลทิน คือความตระหนีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ 4. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติตามกำลัง ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อได้โพกษทรัพย์ใหญ่ 5. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรม ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไป <c oughs> เพื่อได้ปัญญาใหญ่ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญใหญ่ด้วย ฐานะห้าอย่างอย่างนี้แลาสาธุจบได้ด้วยดีเยี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นอนนีิสงฆ์ห้าประการนะของการที่ได้เกี่ยวข้องกับสมณผู้มีสินนะผู้เจ้าก็จะ <c oughs> บอกอณิสงฆ์เอาไว้นะแม้แต่การ <c oughs> มีจิตเลื่อมาสเนี่ยจะเหมือนกับที่เราไปสังเวชนียสถานสี่ นะเมื่อไปแล้วเนี่ยมีจิตเริ่อมใส่เนี่ยอารมณ์ของตรงนั้นเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์หรือพระองค์ <c oughs> จัดไว้พระสูตรหนึ่งในเรื่องของการที่เรามีความเริ่อมใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ เ, เกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาได้เป็นอารมณ์ของสุกติโลกสวรรค์เหมือนกันนะแต่ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องขยับขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกนะ าการที่ลุกลับกลับว่ายอันนี้ก็ทำให้เกิดในตระกูลสูงซึ่งก็จะไปอสอดรับกับพระสูตรที่พระองค์ตัดไว้กับพระนางมาลิกานะว่าเหตุของการได้ตระกูลสูงเกิดในตระกูลสูงเป็นอย่างไรนะเรื่องของการละความตระหนี่อันเป็นมนตินนะเป็นไปเพื่อการได้เกติศักอันใหญ่นี่เป็นมุมที่ไม่ค่อยเจอในที่ใดนะ ว่าการได้เกติศักดิ์อันใหญ่เนี่ยคือการฝึกละความตรหนยะการจําแนกแจกทานตามสติกําลังนะเป็นไปเพื่อการได้โภคะนะและอย่างที่บอกว่าเรื่องการให้ทานเนี่ยอย่งจําแนกไปในมุมอื่นอีกนะคือเป็นเหตุให้มีรูปงามผิวพรรณงามนะเป็นเหตุให้โภกทระซย์ของเราเนี่ยไม่เกิดอันตรายจากน้ําจากไฟ จากโจรนะจากทายาทอันไม่เป็นที่รักอย่างนี้แล้วเป็นเนตให้บุตรนะภรรยาข้าทาสคนใช้นะบุตรบริวารของเราเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อฟังถ้อยคำนะนั้นอันนี้คืออ น, นิสงค์ของทานที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวนะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้เรื่องของอ น, นิสงค์นี้ในสัพปุลิสถานหประการนะ การให้ทานโดยเคารพโดยนอบน้อมการให้ด้วยมือของตนให้ของไม่เป็นเดนเชื่อผลนะของกรรมที่ให้นะอันนี้5ประการของทานของสัตบุตรคนดีน ะ, ะต่อไป <c oughs> ท่านที่8คะ่ะคุณประพันธ์หรือคุณพันอายุ38ปีพระสูตรอานาปานสติสามารถจำกัดจะกำจัด บาปอากุศลได้ <c oughs> ทุกทิศทางคะ่ะน่าเชน่นขอโอกาสครับอาจารย์ครับาจากหนังสือพุทธวัจจนะฉบับที่6นะครับหน้า86ครับชื่อพระสูตรอาณ า, าปานาสติสามารถกำจัดบาปอากุศลได้ทุกทิศทาง <c oughs> อานน์อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ก็อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรจรึงมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่อาโนนภิกษุนั้นในกรณีนี้ไปสู่แล้วไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่า เราเป็นผู้ทำการสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตสังขาร ให้รำงับอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอานน์อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อนนนสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัด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 เราเป็นผู้ทากายสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกอานน์สมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายอานนท์เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาละโทมนัตในโลกออกเสียได้อานนท์สมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งติติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก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 ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทาจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทาจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกอานน์สมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์เราย่อมกล่าวว่าการทำในใจเป็นอย่างดีถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายอานนท์ เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้อานนท์สมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้โทษครับอานนสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ขอโทษครับเหนจิตในจิตไหมดูปรามเฉพาะซึ่งจิตอ๋อขอโทษครับ ข, ขอบคุณครับพระอาจารย์ตื่นเต้นครับขอโทษครับ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 ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกอานน์สมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานน์เราไม่กล่าวว่า อานาปานาสติเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วผู้ไม่มีสัมปชัญญะอาน o น์เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ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 ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจาหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจาหายใจออกอานนสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจามีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานน์ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาอานน์เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์เปรียบเหมือนกองฝุ่นใหญ่มีอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศตะวันออกก็บทขยี้กองฝุ่นนั้น ถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศ ต, ตะวันตกก็บดขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือก็บดขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต้ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้นนี้ฉันใดอานุนเมื่อณณบุคคลมีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ ย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้ เมื่อบุคคลมีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ่ยมกาจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้ฉันนั้นเหมือนกันเฉพระสูตรครับอ๋โอโหสูตรนี้ <c oughs> <c oughs> ยาวมากแล้วจะเห็นว่าที่มีพระที่ประเทศพม่าเนี่ยนะ ทรงจำพระเทริดกได้เป็นล้านล้านตัว อ, นนะอักษรนะก็ถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะใช้การทรงจำกันเป็นหลักนะใช้การทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดทางปากเนี่ยเพราะนั้นลูกศิษย์จะต้องอยู่กับครูอาจารย์ถึง10ปีเพื่อทรงจำคำศาสดาให้ได้นะถึงจะพ้นนิสัยเว้นแต่ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถนะก็ลดผู้เจ้าลดหย่อนให้เหลือ5ปีได้ นั้นพระที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยจะออกไปอยู่ผู้เดียวโดยที่ไม่มี <c oughs> ครูอาจารย์เนี่ยผู้เจ้าไม่อนุญาตเว้นแต่จะครบห้าปีสำหรับภิกษุผู้ฉลาดหรือ10ปีนะในเกณฑ์ปกตินะถึงจะออกไปอยู่ผู้เดียวได้นะแล้วก็ถึงจะมีลูกศิษย์ลูกหาได้ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยผู้เจ้าจะไม่อนุญาตนะก็ประสูตรนี้ก็เป็นประโยชน์นะ เราจะเห็นว่าคําว่ามักวิธีเนี่ยพระาศาสดาจะมีการลงรายละเอียดว่ามักวิธีอาณาปานสิบเป็นอย่างไรเพราะนั้นหลายๆมักวิธีที่ เ, เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่มักวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติเอาไว้ น, ะนั้นณนะวันนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือนะในปัจจุบันที่สามารถสแกนค้นหาคําทั้งพระตบิฎกเนี่ย เวลาเราสงสัยคําใดก็กดวินาทีเดียวก็สามารถค้นได้แล้วว่าคำนี้มีในมัควิธีไหมเป็นมัควิธีของพระศาสดาไหมหรือเป็นมัควิธีที่แต่งขึ้นเองในภายหลังนะนั้นถ้าอย่างอนาปานสติก็จะเป็น <c oughs> มัควิธีที่ศาสดาบัญญัติจะมีการลงรายละเอียดของมัควิธีว่าทําอย่างไรบ้างนะซึ่งจะแบ่งเป็น4ี่กลุ่มคือกายเวทนาจิตธรรมนะซึ่งปรุงก็จะเปรียบเหมือนรถที่มาจาก4ทิศทาง จะบดขยี้กองฝุ่นนะตรงกลางก็คือมันจะทํำลายบัพอกุศลธรรมของเราเนี่ยไปเรื่อยๆทุกขณะที่จเจริญสติปัฏฐาน4นะอกุศลต่างๆเนี่ยจะถูกลดทอนลงไปทีละเล็กทีน้อยไปเรื่อยๆนะนั้นความเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระศาสดาจึงบอกว่าความทุกข์เนี่ยจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนะทุกขณะที่เข้าปฏิบัติภ า, า, นะาวนานะอวิชชาจะค่อยๆจางกลายไปและหมดไปดับไปนะ นี่ก็เป็นประโยชน์ของพระสูตรนี้นะอเชิญน้ำวุ้นค่ะท่านที่เก้าค่ะคุณจันจิราหรือคุณเฟยอายุ36ปีพระสูตรความเพลินคือมีอุปทานผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรีนิพานค่ะ มีความเพลินคือมีอุปทานผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานพิสุทั้งหลายพิสุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิสุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปทาน เพราะอุปทานของพิษุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพพเพราะมีพพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุก ข, ขทโทมนัสอุบา ย, ยาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนพิษุทั้งหลายพิษุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนา ความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของพิสุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทโมนัตอุบายา ท, ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนพิสุทั้งหลาย พิสุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิสุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นคืออุปาทานเมื่ออุปาทานของพิสุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชารามรโะโสกัปริเทวะทุกขะโทมนณอุปายาททั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนพิสุทั้งหลายพิสุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารเมื่อพิสุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นคืออุปท า, าน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 เลื่อดพิสุตนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของพิสุตนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะเศกิปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาททั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อ, อันนี้พิสูตร์เร่องความเพลิน <c oughs> นะความเพลินเนี่ยเป็นตัวหลักเลยน ะ, ะเป็นมัควิธีที่ใช้ได้ทั้งระบบสมมุติแล้วก็บิมุติเลยนะมันคาบเกี่ยวกันทั้งสอ ง, สองฝั่งพระศาสดาให้ละความเพลินในขันห้า แล้วพระศาสดาก็บอกว่าพระหลานขี่นาศพทั้งหลายและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังละความเพลินในนิพพานด้วยนะนั้นนันทีเนี่ยตามไปทุกที่เลยความเพลินเนี่ยตามไปทุกที่ทั้งขันห้าทั้งนิพพานเลยนั้นพอพระหลานขีณาศพเนี่ยถึงนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีนะว่าไปจเจริญอานาปาไปกายยะตาสติอะไรในนิพพานแต่ยังมีนันทิในนิพพานนะก็ ต้องละนันทิในนิพพานไม่เพลินในนิพพานไม่สําคัญม่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญม่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนี่พระเจ้าตรัสไว้ใน5้าแง่มุมนี้ที่พระหลานขีณาศพทั้งหลายเนี่ยจะละตรงนี้ได้นะ <c oughs> ตัวความเพลินนี้จึงเป็นเรื่องหลักที่พระศาสด า, าสอนเรื่องหนึ่ง นี่ก็เป็นความเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารอาจจะพอมองออกแล้วความเพลินในวิญญาณเป็นยังไงนั้นเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆพอวางสี่ขันได้แล้วเอ๊แล้วความเพลินในวิญญาณเป็นยังไงนั่นก็คือความที่เราอยากรู้แค่อยากรู้เนี่ยล้วก็รู้ต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นความเพลินในวิญญาณละเป็นตันหาในวิญญาณความกำหนัดในวิญญาณ ใชค่ค่ะแล้วความเพลินนี้มันจะเปรียบเทียบได้กับความเจริญงอกงามของวิญญาณที่พอวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วก็มีความเจริญงอกงามอันนี้คือความเพลินถูกต้องถ้าเปรียบเทียบแล้วกับปฏิจจะแล้วมันน่าจะอยู่ตรงที่ เ, เกิดสัมผัสแล้วก็เกิดผัสสะและมีเวทนาและมีตัณหาก็คือคือตัวตัวที่อย่างสมุติถจะเปรียบเทียบกับภพก็คือตัวชาติตัวชาติเนี่ยคือตัวความเพลินเพราะภพเนี่ยคือ ที่ตั้งอาศัยและถ้าเมล็ดงอกขึ้นก็คือการเจริญงอกงามไปบุญของวิญญาณนะที่พระุทธเจ้าบอกว่ามันงอกขึ้นเพราะนันทินะ่ะความเพลินอพอเราเพลินไปปั๊บเนี่ยคือเป็นชาติละหรือเรียกว่าสัญญาคะจิตผูกกับอารมณ์ฉะนั้นจริงๆแล้วความเพลินเนี่ยอยู่ในทุกขั้นตอนของสายปฏิจจะเลยแค่เราใช้วิญ ญ, ญาณเข้ามายึดวิญ ญ, ญาณนั่นก็คือเราเพลินในวิญ ญ, ญาณละอย่างเงี้ย ม, ม, มันมันใช้ได้ทุกจุดนะ อ่าต่อไปท่านที่สิบค่ะคุณกันนิชานันชั่วเรียงค่ ะ, ะหรือคุณจุบอายุสามสิบสองปีพระสูตรสิ่งนั้นหาพบในกายนี้ค่ะอ่ายมจุบเชนเขากัดค่ะพระอาจารย์สิ่งนั้นหาพบในกายนี้แน่เธอ ที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครใครอาจรู้อาจเห็นอาจถึงซึ่งที่อาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นได้ด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลก และทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้แหละพระสูตรนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นพระสูตรที่โลหิตาเทวบุตรเนี่ยามาได้ยินได้ฟังโลหิตาเทวบุตรก็เลยสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าตนเองเนี่ยสมัยก่อนเคยเกิดเป็นฤาษีแล้วก็มีฤทธิ์มาก ก็อยากรู้ว่าที่สุดขอบโลกเนี่ยเป็นยังไงและคิดว่าสุดขอบจักรวาลเนี่ยคือที่ที่ไม่ตายนะสถานที่ที่ไม่ตายจะต้องอยู่สุดขอบจักรวาลนะเขาก็เลยเหาะไปด้วยลิศของเขาเหาะไปตลอดทั้ง1 0 0ปีไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายจนกระทั่งตายนะก็เลยไปเกิดเป็นเทวดานะตายขณะเหาะก็คือตายอยู่ในฌานนะ ก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วมาได้ฟังธรรมพระศาสดาก็เลยสรรเสริญว่าถูกต้องอย่างที่พระศาสดาบอกเลยว่าที่สุดของโลกเนี่ยไม่มีทางถึงเลยนะเพราะพผู้เจ้าได้ตรัสว่าที่สุดโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆครไม่อาจถึงที่นั้นได้ด้วยการไปการเคลื่อนไปเนี่ยไม่มีทางถึงนะแต่พผู้เจ้าบอกว่าในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยที่มีสัญญามีใจเนี่ยแหละเป็นที่ออกของความแก่เจ็บตายเพราะนั้นถ้าเราต้องการอมตะคือความไม่ตายเราต้องกลับมาพิณาที่กายที่ใจของเรานี้นะเป็นทางออกนะค่ะท่านสุดท้ายค่ะคุณสิริการสัพทยุ ต, ตากุลค่ะหรือคุณอ้ออายุ30ปีพระสูตร ผู้ไม่ประมานในความตายแท้จริงค่ะอ่าเยี่ยมยอเชญพุทธวัจนะตามรอยธรรมหน้า87เจภิกษุทั้งหลายมรณสติการละลึกถึงความตายอันอันผู้ที่กระทำมากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงลึก ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดพวกเธอเจริมมรณะสติอยู่บ้างหรือภิกษุทั้งหลายกราบตอบทูลและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่เจริมมรณะสติอย่างนี้โอ๋หนอ เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงโอ้เนาะเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ มีสีห้าวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องหัก่นเป็นโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วงขณะเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วงเวลากลางวันดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียง ช่วงที่ฉันบินทบาสเสร็จมื้อหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วงที่ฉันอาหารเสร็จสี่ห้าคำเราพึงระลึกถึงเราพึงทระลึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาค การปฏิบัติตามคําสอนอยู่หนอดังนี้ผู้มีพระภาคเจ้าเรียกบุคคลเหล่านี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังห่างยังการเจริญมรณะสติ ยังห่างไกลอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเออพระภิกษุทั้งหลายพระภิกษุฝ่ายที่จเจริมมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะ ที่ฉันอาหารเสร็จเพียงหนึ่งคำก็ดีว่าโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะที่มีลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกหรือชั่วขณะที่มีลมหายใจออกแล้วมีลมหายใจเข้าเราพึงระลึกถึงคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการปฏิบัติตามคาสอนควรมีมากหนอดังนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุฝ่ายนี้เราเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อสิ้ น, เ พ, นเพื่อสิ้นอาสวะเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหมดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ภิกษุควรเจริญมรณะสติขอญาติดูดีกว่ารู้สึกผิดเยอะต้องมีคนทานคอยช่วยนิดนึงนิดนึงแบบท่องปฏิโมกข์ก็จะมีคนทานคอยเสริมนิดนึงเขาก็จะจำได้ต่ออย่างนั้นขอญาติใหม่เลยได้ไหมคะไม่เป็นไรต่อต่อกันได้ ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล่ธรรมดาใช่ไหท่องปฏิโมกเป็นเล่มๆ เ, เนี่ยก็พระก็ลืม นั้นการท่องปฏิโมกเนี่ยต้องมีคนทานไปด้วยนะฮะพวกนี้ไม่เคยท่องปาฏิโมกข์นะคนทานเนี่ยต้องเสริมพอเขาสะดุดปุ๊บเสริมหนึ่งคำปุ๊บมันจะไหลไปต่อได้พรอติดปุ๊บลืมละเสริมปุ๊บจะไหลไปต่อได้อีกใช่ไหมอ่าต้องคอยช่วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึ่งอย่างอ่า <c oughs> ก็ตรงเนี้ยอืม <c oughs> การเจริญมรณสตินี่ก็เกิดประโยชน์นะซึ่งในพระสูตรนี้ผู้เจ้าให้ทําบ่อยๆนะแค่ฉันอาหารคำหนึ่งก็นึกถึงความตายแล้วนะอย่าง น, นี้ในทุกๆลมหายใจถ้าเราสามารถระลึกถึงความตายได้ตรงนี้จะเกิดประโยชน์มากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องมรณสติซึ่งถ้าใครทํามากจเจริญมากก็ มีผลใหญ่มีนิสงใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเนี่ยเป็นที่สุดนึกถึงถึงความตายบ่อยๆกลับไม่ตายนะบางคนเนี่ยนึกถึงความตายบอกเอ้ยคิดไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่นะหรือใครพูดเรื่องตายบอกเอ้ยเดี๋ยวเป็นลางเป็นลางอย่าพูดนะจริงต้องพูดบ่อยต้องคิดบ่อยนะเพราะคนจะตายไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราไปพูดหรือไปอะไรนะ <c oughs> เหมือนพระพุทธเจ้าท่าน ท่านฮัดเช่ท่านจามเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุยืนนานเหมือนพวกฝรั่งที่ก็อ ะ, อ, ะนะอะไรนะบลัชยูอะไรนะใครจามใครอะไรก็ขอให้มีอายุยืนนะพระเจ้าก็เลยบอกภิกษุทั้งบอกภิกษุเนะี่ยบอกว่าเราจะเป็นจะตายเนี่ยเพราะการอวยพ่อนุองเธอเหรอก็เลย ปรับอาบัตภิกษุว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครทําอย่างนี้นะมีอาบัต ท, ทุกกฎนะอ่าเพราะฉะ น, นั้นผู้เจ้าให้เชื่อเรื่องกรรมไงนะว่าทํากรรมอะไรมาเนี่ยก็คือจะได้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพราะคําพูดของคนโ น, น้นคนนี้ที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนั้นเราอย่าไปหวั่นไหวต่อคําพูดของคนอื่นนะใครจะสรรเสริญใครจะว่ากล่าวอะไรเรา นะถ้าเราทําดีแล้วนก็ให้ทําดีสิ่งนั้นต่อไปทําสิ่งนั้นต่อไปไม่งั้นถ้าเราหวั่นไหวต่อคําพูดคนน้นคนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกมูแต์เซไปตามคําพูดคนน้นคนนี้ก็เสร็จเลยนะชีวิตมันก็เดินต่อไปไม่ได้นะมันจะเฉไปเฉมาอยู่นั่นนะ่ะนั้นเรามีหลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินไปตามนั้นตรงๆนะมีผู้เป็นสัพพัญยูเนี่ยให้แนวทางชีวิตอยู่แล้ว ก็ง่ายงไม่ยากอะไรก็อนุมมตนากับทุกท่านนะที่ได้มาสัจชายะสาธยายคำของพระศาสดาของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มียังไงต่อไหมน้ำบูนพิธีกรใหญ่สุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ขอกาพระอาจารย์มอบของที่ระลึกแด่ผู้ที่เข้าร่วมสัตยะทุกท่านค่ะของที่ระลึกออ๋อดีวีดีหในหนึ่งอได้เป็น ชุดแรกเลยนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำออกเลยนะหเรื่องในหนึ่งเรื่องนะเขารับทีละท่านเลยค่ะแล้วอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวข้ากล่าวพระอาจารย์พร้อมกันนะคะเขเข้าไปรับได้เลยค่ะท่านค่ ะ, ะมาท่านไหนนะหกขวบใช่ไหมหขวบค่ะห้าเหรอห้าขวบอืม เชเด้นปีนี้เท่าไหร่แปดแปดแล้วเก่งมากน ะ, ะได้ครบกันแล้วเนาะ ค่ะเชิญทุกท่านนะคะกราบพระอาจารย์ค่ะเ <c oughs> พราะว่ดาด่าเรื่องเลยมาเยอะแล้วนะคะกร <c oughs> าบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบกร <c oughs> าบกราบค่ะเชิญลงกลับที่เดิมคะ่ะ อืม mm hmm. ในในาาก้เลยครับประมใกล้ถวายสิปลาก็ได้รับประคนอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวก็จะให้พวกเราฟังพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าพรรษาสักนิดหนึ่งนะจากนั้นก็ให้พรแล้วก็พระจะไปตักอาหารนะพระตักอาหารเสร็จพวกเราก็ตักทานได้ตามสบายนะหลังให้พรเสร็จแล้วก็คงจะแจกหนังสือกับพวกเรานะซึ่งก็รับได้จากพระทุกรูปนะ ใช้พระทุกรูปช่วยกันแจกจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วจะมีหนังสือมีซีดีมีสติกเกอร์พุทธวจนะนะแจกให้หนังสือเหมือนเดิมใช่ไหมตัวอย่างหนังสือเอามาให้ดูสิตัวอย่างหนังสือที่จะแจกส่งพระข้างๆหยิบมา อันนี้คือตัวอย่างหนังสือที่จะแจกออเล่มออพอดีตามสงสัยตามรอยทำตามรอยทำมตามรอยทำหมดใช่ไหมอออ่ า, อาตอนนี้วันนี้เหลือแต่ปฐมธรรมนะมีปฐมธรรมมีสติกเกอร์ใหญ่เล็กแล้วก็ DVD MP3 แล้วก็แผ่นโปรแกรมนะในการเช็คตรวจสอบพุทธวจนะนะ <c oughs> แต่ก่อนเนี้ยเราตรวจสอบยากเวลาเราจะ ต้องการค้นว่าคําสอนเนี่ยพระเจ้าสอนจริงหรือเปล่าอย่างเช่นว่าโยมไปเจอเขาสอนนั่งสมาธิแล้วเขย่าตัวเขาเรียกตีชานโยมก่อนจะตรวจดูเจอมันช้าหรือว่าเขาสอนคณิกาสมาธิอุปจาระอย่างนี้เอ๊ะจะตรวจยังไงก็นั่งเปิดทีละหน้าเทีลหน้าดูคำพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราคีย์คำนั้นเข้าไปแล้วกดวินาทีเดียวแล้วก็จะทราบแล้วว่า คำนี้อยู่หน้าไหนเล่มไหนหรือถ้าไม่มีมันก็ค้นไม่เจอมันก็จะบอกว่าไม่มีนะเราก็จะได้ทราบอย่างรวดเร็วว่าที่สอนกันนั้นเนี่ยเป็นการสอนเกินคำสอนพระศ า, ศาสดาของเรานะนั้นเราทำข้อมูลที่อยู่ในโปรแก ร, รมตรงนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกคือบาลีสยามรัฐที่รัชกาลที่5 <c oughs> ได้ให้พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศเนี่ยในยุค ข, ของท่านเนี่ยช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยาม ส่วนรัช ก, การที่5นั้นได้อักษรขอมาจากไหนพระตาบิดกนี้ได้มาจากที่รัช ก, การที่1ในปี233 1าาเนี่ยรัช ก, การที่1เนี่ยขอประชุมพระภิกษุที่มีความสามารถทั่วประเทศเนี่ยสองกว่ารูปที่วัดพระศีสันเพชช่วยกันลอกนะพระตาบิดกจากประเทศลาวแล้วก็ ร, รามันนะยืมมาสองฉบับนี้แล้วก็ลอกมา นะเป็นพระตบิฎกของประเทศไทยแต่ก่อนไทยก็เคยมีแต่สมัยยุทยาถูกเผาข้อมูลหมดนะก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาใหม่ใช้เวลา5เดือนนะแล้วรัชกาลที่5ก็นำมาแปลเป็นอักษรสยามอักษรไทยอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีการทยอยแปลมาเป็นาภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยล่าสุดนะนั้นเราก็บริจุข้อมูลนี้ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยเนี่ยลงในแผ่นโปรแกรมนี้เรียบร้อย ก็มีโปรแกรมในการสืบคน้นค้นหานะใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการพอนะดีมีพระที่เข้ามาบวชชั่วคราวและจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเนี่ยช่วยทําให้ก็นับว่าเป็นโชคดีมากเป็นการต่อยอดคําสอนของพระศาสดาให้เข้าสู่เทคโนโลยีในปัจจุบันนะซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันตรงนี้ณนะวันนี้ยังดูเป็นของใหมนะ่แต่ต่อไปก็คงจะเป็นของที่ไม่ใหม่อะไรนะ และคงเป็นของปกติที่มีการใช้กันเหมือนแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5หนังสือเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะรัชกาลที่5เนี่ยพยายามบรรจุข้อมูลพระพุทธเจ้าเนี่ยลงในเทคโนโลยีใหม่ในยุคนั้นนะในรัชกาลที่5เนี่ยการพิมพ์หนังสือเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อรัชกาลที่5ทําตรงนี้จึงเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกนะและรัชกาลที่5ก็ แจกไปทั่วโลกและก็แจกไปทั่วประเทศพิมพ์4ี่หมื่นเล่มนะกระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกคือต้องการให้คนเนี่ยรู้จักคำสอนของพระศาสดานะตรงนี้ก็เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ณนะวันนี้ก็ได้รับอนิสงค์นะคุณอปการจากวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านที่ได้สืบทอดคำสอนของพระศาสดาลงมาในรูปแบบของหนังสือนะซึ่งเรามีหนังสื อ, อมี พระเตปดกบาลีสามลัดไอาวุโสมิ้นหยิบบาลีสามรัดอยู่ข้างบนเนะี่ยเอามาให้เล่มที่เก่าที่สุดมีไหมเอามาให้โยมก็ดูดีเรารับหนังสือจากมหาจุฬาเนี่ยมาซ่อมให้นะก็คือตัวนี้ ตัวนี้2468นะตัวนี้คือเล่มจริงเป็นการเป็นบาลีสยามที่พิมพ์ครั้งที่2นะในครั้งแรกเนี่ยคือ2 4งส่อานะรอ5เนี่ยใช้เวลา5ปีในการแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามนั้นตัวนี้เป็นเป็นฉบับจริงแต่เป็นการพิมพ์ครั้งที่2ใน2468นะ ในการพิมพ์ครั้งแรกเราก็จะได้รับมาซ่อมอีกเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ากำลังถ่ายเก็บเอาไว้นะเพราะฉะนั้นอตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลพวกนี้ไปหมดเพราะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้นะ <c oughs> เก็บไปที่เดและข้อมูลทั้งหมดก็คือถูกบรรจุลงในซีดีแผ่นนี้ที่จะแจกให้ญาติโยมหนังสือของเราทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในบาลีสามรัฐเช่นกัน จะได้ให้เราทราบที่มาที่ไปของข้อมูลหลักฐานนะซึ่งข้อมูลตรงนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็ขุดพบเจอที่ลบบุรีและที่เพชรบูร์ที่ลบบุรีเนี่ยเจอในก้อนศิลาสลักด้วยอักษรปาราวะภาษาบาลีนะเป็นเนื้อหาก็คือเรื่องของปฏิจจสุบาร์นะเพราะมีสลายยนานะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะอย่างนี้เป็นการ เป็นข้อมูลที่บอกเหตุเกิดขึ้นของความตายและเหตุดับไปของความตายความตายเนี่ยเกิดมาได้ยังไงและจะดับไปได้ยังไงนะที่เพชรบูรณ์ก็เจอในก้อนศิลาเหมือนกันอักษรปาราวาภาษาบาลีเหมือนกันนะหรือที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์นะอยู่ในไบาลานเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะที่ถ้าในอัฟก า, านิสถานนะพอนักโบราณคดีเข้าไปาค้นเจอนะ ก็เป็นเศษซากใบลานที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เอาพยายามาต่อกันจนได้เป็นเป็นภาพใบลาน <c oughs> แล้วก็เรียงเป็นตวนัวอักษรแล้วก็แปลมานะเป็นภาษาไทยก็จะตรงกับข้อมูลในบาลีสามรัฐซึ่งเนื้อหาในใบลานส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อ, อบายมุขหว่าพระศาสด า, า, า, าเนี่ยสอนขาบดีว่าไม่ให้เสพทางเสีพแบ่งโภค้า6ทางการดื่มสุรา การเที่ยวตามดอกซอกซอนในเวลาวิกาลน ะ, ะการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแหม่งความเมาการเล่นการพ น, นันการคบมิตรชั่วนะสิ่งพวกนี้ความเกลียดค้านอย่างนี้ไม่ดีนั่นคือมันมีการสอนอพระสัทธรรมคำสอนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้มาสอง0ันกว่าปีแล้วตามหลักฐานที่ปรากฏกระจายอยู่ทั่วโลกอยู่ในถ้าบ้างอยู่ในผืนดินขุดมาเจอก้อนศิลาบ้างอย่างเนี้ย นั้นศาสนาพุทธเนี่ยอย่าแต่งใหม่อย่าบัญญัติอะไรใหม่นะพระาศาสดาบอกว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญตัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะนั้นถ้าเรามีความกตันยูต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ต้องมีหิริโอตปะมี with being with being with skin, fellow, cockpit, ความละอายความเกรงกลัว ในคำสอนของพระองค์นะซื่อตรงต่อคำสอนของพระองค์แค่นั้นเองพระทั้งหมดถ้าทำได้อย่างนี้ทั้งหมดโยมจะไปร0อยวัดก็จะสอนเหมือนกันทั้งร้อยวัดทุกคนจะพูดคาพระศาสดาจะไม่พูดคำที่ตัวเองแต่งขึ้นมาและก็จะไม่มีสายไม่มีนิกายอะไรทุกคนจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าประเทศไทยทาได้นะประเทศอื่นๆก็จะดูเป็นตัวอย่างและสามารถที่จะแผ่ขยายไปได้ทั่วโลก ศา ส, สนาจะกลับมาแผ่ภัยสารไปทั่วโลกอีกรอบหนึ่งนะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าเราใช้พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะเราก็เลยพยายามกระจายข้อมูลเหล่านี้ให้มากกระจายพุทธวจนะให้มากนะนั้นถ้าใครใช้ถนัดในการใช้อุปกรณ์มือถือพวกแท็บเลตต็ตต่างๆก็สามารถโหลด ที่นี่ก็ได้ที่นี่มี Wi-Fi สามารถโหลดไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วข้อมูลจะบรรจุในเครื่องมือของพวกเราพร้อมโปรแกรมในการสแกนอยู่ในเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยน ะ, ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ในการกระจายคำสอนแต่ก่อนพระเจ้าโศกสลักในเสาหินนะแล้วกระจายไปทั่วโลกนะทางอัฟกานิสถานก็ใช้ใบลานนะ รอ1ใช้ใบลานรอ5ใช้นังสือรอ9ใช้ CD นะปลายรอ9เราก็ใช้พวกแท็บเล็ตต่างๆนะไปตามยุคนะพยายามให้คำสอนพระเจ้าเนี่ยแทรกซึมอยู่ทุกที่ใครถนัดใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนังสือเราก็ทำนะ CD อะไรต่างๆเราก็ทำทำทั้งหมดนะต้องการให้ชาวพุทธได้รู้จักคำสอนพระศาสดาตนเองเท่านั้นเองน ะ, ะก็ <c oughs> พร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะให้ฟังคาสอนจากพระโอษฐ์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าพรรษานะพระศาสดาก็บอกวิสูให้ปารบความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณแล้วก็นัดแน่กันที่นครสาวรถีเป็นในฤดูบานแห่งดอกโกมุตนะแล้วก็จะมีเรื่องของการที่พระองค์ยอยู่จำพรรษาการด้วยอาณาปานสติ พระศัสดาอยู่ตลอด3าเดือนเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแค่นี้เองนะเป็นถึงพระพุทธเจ้าก็คือกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกพื้นพื้ น, นธรรมดานี่เองไม่มีอะไรมากนะแต่มันมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นมีความละเอียดปราณีตอยู่ในนั้นซึ่งด้วยวิธีอานาปาอย่างเดียวสามารถทําให้เราเนี่ยถึงนิพพานได้เลยนะพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะไปจนถึงวิชาวิมุติด้วยการเจริญอานาปานสิเพียงอย่างเดียว เดี๋ยวจะให้พระท่านอ่านต่อไปก็ให้ตั้งใจฟัง<ม>พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ขออกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธนะ นะโมตัสสะพัคควะโตระหัตโตสัมมา ส, สัมพุทธสัพพุทธประวัติจากพระโอษณะส้า359เเรื่องวิหารละธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพันศาและทรงสรรเสริญมากตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายอิจฉานางคละภัยสนใกล้เมืองอิจฉานางคะ ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกเดริถีอื่นจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณะโคดมทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมไหนดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่พวกปริพพาชกเดริถีอื่นเหล่านั้น อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมนี้คืออาณาปานสติสมาธินี้แลภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เราเป็นผู้มีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสพระสูตรอาณาปานสติที่ได้เคยตรัสไว้อยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายเมื่อใครจะกล่าววิหารธรรมใดโดยชอบ ว่าเป็นอริยวิหารก็ดีพรหมวิหารก็ดีตถาคตวิหารก็ดีเขาพึงกล่าวโดยชอบซึ่งอาณาปานสติสมาธินั้นว่าเป็นอริยวิหารพรหมวิหารตถาคตวิหารภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลา ย, ภ, ลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะมีวัตถุประสงค์แห่งใจ อันยังไม่บรรลุแล้วปรารถนาอยู่ซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาณาปานสติสมาธินี้แลอันภิกษุเหล่านั้นจเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใดเป็นอรหรันต์ขีณาศพ มีพรมจรร์อันอยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำอันกระทำแล้วมีภาระหนักปงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามบรรลุแล้วมีสัญโย์ในภพอันสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ด้วยปัญญาโดยชอบอาณาปานสติสมาธิอันภิกษุเหล่านั้นจเจริญทำให้มากแล้ว ก็ยังเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมด้วยเพื่อสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มั่นแล้วในคอบติภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มั่นแล้ว มีจิตมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้พิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงปรารพความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเราจะรอคอยพวกเธอทั้งหลาย อยู่ณนะที่นครสาวัตถีนี้แหลจนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝนครบสี่เดือนเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมดเพนเดือนสิบสองพวกภิกษุผู้เป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้า ป่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัศปะพระมหากัจยานะพระมหากธิตะพระมหากปินะพระมหาจุนทะพระเรวัตพระอานน์และพระเถระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกพวก ภากันสั่งสอนร่ำมชี้แจงพวกภิกษุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบรูปบ้างสีสิบรูปบ้างส่วนภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำท่ามชี้แจงของพระเทระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นๆยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นดังนี้จนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายสืบไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลย ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่น่าบูชาน่าต้อนรับน่ารับทักษินาทานน่าไหว้เป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลก โมภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นโมภิกษุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่ภิก <Eine> ษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลาย บริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยดโยดถึงกับต้องเอาห่อสเสบียงไปด้วยข้อตามโมภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลาย ในโมภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสาเร็จแล้วมีภาระปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนมีประโยชน์ของตนมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับ มีสัญโยชตในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในโมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโยชตเบื้องตามห้าเป็นโอปปาติกะแล้วจากปรินิพานในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญญาณสามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะเป็นสกกาคามีมาสู่โลกนี้ อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจากกระทำที่สุดแห่งทุกได้พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญญาณสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ ผู้แน่ที่จะตรัสรู้ข้างหน้าพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งประกอบความเพียรซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนืองๆในการอบรมสติประธานสี่สมบะทานสี่ อิทธิบาทสอินรียห้าพละห้าโพดชงเจ็อริยมรรคมีองค์8เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภะอานิจจสัญญาและอาณาปานสติพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ดังนี้แล เดี๋ยวตั้งใจรับพรกันนะอุโตพาลัโตธีโรวันณาโตปฏิภาณนาโตสุขสัสสะ t ตาเมธาวีสุขังโสอธิการจติ อิกายุยาสาวาโหติญทถาญาตุปปัจติติกาเลททันติสปัญญาวัฏฐานยูวีธามัจจราอะเรนาทินานาเรียสุปูชุปูเตสุตาทิสุวิปัสสนามานาตัสสาวิปุลาโหติทกคินาเยตาถาอนุโมทันติเวียวัจจังกัโนติวา นาเตนาทาคินาโอนาเตปิปุญญาสปาคิโนตาสัมมาทะเถอปติวานาจิตโตยะถาทินังมหาพลังปุญญานิปัลโลกาสมิงปะทิธาหอนติปานินันติ